มันมีคำอยู่สองคำนะที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆเวลาเราสวดเดยเพราะอนัตตลกนณสสตรแล้วก็มหาสติปฐานสูตรคือธรรมที่เป็นภายในบ้างธรรมที่เป็นภายนอกบ้างนะภายในก็อชชตาภายนอกก็ภหชิตาอยาเมื่อวานเนี่ยตอนที่เราสาธยายเรื่องขัน5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 บางคนก็ตีความว่ารูปภายในก็คือสิ่งที่เห็นด้วยตาเนี่ยนะเช่นแขนชเช่นข า, นาปากจมูกหูอันนี้รูปภายในส่วนรูปภายนอกคือหัวใจตับปอดที่มันอยู่ข้างในแล้วก็อ่านร้อเวทนาอนะเวทนาภายในเวทนาภายนอกหมายถึงอะไรก็มีการเพยยียงอธิบายว่าเวทนาภายนอกภายนอกคือ เวทนาทางกายเวทนาภายในคือเวทนาทางใจอ่าและทำภายในทำภายนอกคืออะไรก็มีการอธิบายว่าทำภายในหมายถึงธรรมารมณ์นะก็หมายถึงทำทำธรรมารมที่เกิดขึ้นในใจความงวงอหงาหานอนนะแต่ถ้าเป็นทำภายนอกก็หมายถึงธรรมารมณ์หรืออารมณ์ที่เกิดจาก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 ไอ้รู้กายของคนอื่นนี่ก็ยังพอมองเห็นนะด้วยตาแล้วเวทนาจิตธรรมล่ะท่านกา็อธิบายว่าก็ใจอาศัยการสังเกตได้อาศัยการสังเกตไม่ต้องถึงกับนั่งทางในนะไม่ไป็ต้องนั่งทางในหรือว่ารู้วาลจิตหรือว่ามีหูทิพตาทิพที่จะไปอย่างรู้ว่าตอนนี้เขาเจ็บปวดสุทุกข์แค่ไหนหรือว่าเขามีความโกรธความไม่พอใจความเหงาความเศร้าหรือไม่ค้อมีนิวนห้าเกิดขึ้นหรือเปล่า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 ย้ายดีกว่าวันที่เอกเผลอนะก็หอบลูกแล้วก็ขนทรัพย์สมบัติขนเสื้อผ้าเพื่อจะหนีไปอยู่ที่อื่นเออญแม่ของเอกเห็นนะแม่ของสา ม, มีเห็นรู้เข้าก็ขอร้องมาขอให้อยู่เถอะนะปูเป๊กบอกว่าอยู่ไม่ไหวแล้วนะใช้ความรุนแรงกับหนูแม่ภรรยาแม่สา ม, มีก็บอกว่าขอให้เห็นใจนะ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 เป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงมันก็สามารถจะแพร่ไปสู่คนที่อยู่ใกล้ตัวได้เช่นแพร่ไปให้ลูกทอานั้นที่ลูกก็ไม่ชอบนะลูกไม่ชอบพ่อที่พ่อทำ้ายแม่แต่ลูกก็ซึมซับเอาความรุนแรงนี้ไปโดยไม่รู้ตัวคนเรานี่สามารถจะถ่ายทอดนะความไม่ดนะีให้แก่คนอื่นได้แต่ถ้าเกิดว่าเรานะ เป็นผู้ที่หมั่นดูจิตดูกายดูใจของตัวเองแล้วก็ดูดูคนอื่นไปด้วยเนี่ยมันก็จะส า, สามารถจะรู้ว่านี่ตัวเราเองเนี่ยไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นหรือเปล่าถ้าว่าเรารู้ว่าคนที่เป็นพ่อเนี่ยรู้ว่าตัวเองกำลังแพ่หรือว่าถ่ายทอดนิสัยที่ไม่ดีให้กับลูกเนี่ยสังเกตจากอาการของลูกว่าไอ้ลูกนี่ชักจะมีนิสัยก้าร้าวรุนแรง นะตัวเองก็จะกลับมาปรับปรุงตัวเองนะไม่ให้ไม่ให้แสดงความก้าวร้าวออกมาหรือว่าไม่แสดงความโกรธแค้นออกมาเพราะรู้รู้ว่ามันก็จะส่งผลไปถึงคนที่อยู่รอบข้างเช่นลูกได้เรื่องนี้มันก็แปลกนะการกระทําบางอย่างเราไม่ชอบเช่นเราไม่ชอบการกระทําของพ่อที่ทําร้ายแม่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 มีลูกอายุประมาณสัก1 8บ2ขวบที่รกลูกก็นานรักนะแต่พอลูกโตขึ้นอายุสิบ2เนี่ยลูกก็เริ่มเหินห่างจากแม่ลูกมีอะไรปัญหาอะไรลูกก็ไม่พูดกับแม่จนกระทั่งแม่ี่ไปได้ไปได้รับรู้เรื่องราวของลูกว่าลูกเนี่ยนะถูกเพื่อนแกล้งที่โรงเรียนลูกก็ลูกก็มีความทุกข์มาก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 แต่เธอก็พยายามพยายามฟังลูกมากขึ้นสุดท้ายตอนหลังนะลูกก็กลับมามากละชิดกับเธอนะัแล้วก็คุ้นเคยกันสนิทสนมกัน เ, เรื่องนี้นะก็เหมือนกับเรื่องปูเป้นะกับเรื่องของเอกเนี่ยก็คือว่าสิ่งใดก็ตามที่เราไม่ชอบนิสัยบัญญาของพ่อที่เราไม่ชอบนะเรากลับไปรับเอามาโดยไม่รู้ตัว และสิ่งที่เรากระทํากับพ่อเนี่ยในสูตรเนี่ยลูกก็กระทำกับเราเหมือนกดแห่งกรรมเลยนะเราทํากับพ่ออย่างไงลูกก็ทํากับเราอย่างนั้นฟังดูเผลอๆเนี่ยมันเหมือนกฏแห่งกรรมนะแต่ที่จริงมันมีสาเหตุนะที่อธิบายได้กเพราะว่าอแม่เนี่ยนะไปไปรับเอานิสัยที่ไม่ดีของพ่อมาเสร็จแล้วก็มาทํากับลูกนะลูกก็เลยนะเผินห่างหมังเหมือน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 จะพูดตรงนี้ผู้เจ้าก็เคยเล่าถึงนักกายกรรมที่เป็นอากับหลานเป็นอาจารย์กับสิทธิ์ไอาา้กายกรรมนี้เนี่ยเป็นกายกรรมแบบให้ให้หลานหรือว่าสิทธิ์เนี่ยขึ้นไปบนลาไม้ไผ่แล้วก็เลี้ยงตัวอยู่บนคอของอาจารย์หรือว่าผู้เป็นอาอาจารย์ก็บอกว่าเธอดูแลฉันนะ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 เสร็จแล้วพมก็ตัดว่าเนี่ยรักษาตนด้วยการเจริญสติปัฏฐานและรักษาผื่น ด, ด้วยการเจริญสติปัฏฐานนะาการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันก็เป็นทั้งการรักษาตนด้วยแล้วก็เป็นการรักษาผูอื่นด้วยนะมันไม่ได้แยกกันนะมันไม่ได้แยกว่ารักษาตนกับรักษาผู้ืนแยกกันให้ถ้ารักษาตนให้ดีนะแล้วขนาดเดียวกัน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 อาจจะรู้ไม่ชัดนะถ้าเราไม่สังเกตคนอื่นด้วยนะว่าการกระทําของเรานิสัยใจคองเราเนี่ยมันส่งผลได้กับคนอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในการเจริญสติภัสสัประฐาน4นี่เนี่ยนอกจากการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมของตนเองที่ท่านเชิญมาพิจารณ า, ากายเวทนาจิตธรรมภายในแล้วเนี่ยแล้วก็ควรพิจารณากายเวทนาจิตธรรมภายนอกคือกายเวทนาจิตธรรมของคนอื่นด้วย อันนี้ก็เป็นเป็นการอธิบายนะที่ที่คิดว่าน่าสนใจนะที่ช่วยทําให้เราเข้าใจแล้วนะว่าไอ้ ي, ภายในภายนอกเนี่ยที่เราสวดกันเนี่ยมันแปลว่าอะไรออันนี้ก็เป็นคําอธิบายหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าเออมันมีมันก็มีเหตุมีผลนะในการที่เราดูการที่เราสังเกตคนอื่นได้เนี่ยการที่เราสังเกตคนอื่นด้วยเนี่ยนะมันก็มีผลช่วยในการที่ทําให้เรากลับมาดูกลับมารู้ทัน